ข้อสำคัญที่สุดในการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เรานั่งปฏิบัติเมื่อกี้เนี่ยนี่หนึ่งชั่วโมงนะถ้ามันไปสองชั่วโมงอะสามชั่วโมงละสี่ชั่วโมงละมันต่อเนื่องไปเป็นวันนะเป็นคืนนะคิดดูที่จิตจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันจะเจอกับสาภาวะอีกเยอะแยะมากมายที่จิตจะได้มีโอกาสเห็นการเกิดและการดับของสาภาวะแล้วมันจะเกิดยังไง ส่วนมากเราก็ถ <thirteen> well, so ูกคลื่นซัดกลับมาอีกพอพอมันติดมันไม่ไดนไม่ได้ปรับภูมิที่ก็เหมือนเราไหว้ในทะเลอะไหวยใกล้ใกลเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็มันก็คลื่นตีกลับก็มาอีกพอหยุดไหว้ไงพอเราหยุดเพียนใช่ไหมคลื่นมาบู๊หายก็ไปอีกเนี่ยมันเป็น มันสามารถทำให้เราพิจารณาในใจของเราเองแล้วเราก็สามารถมองเห็นได้ว่าถ้ามันต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนสติสมาธิและปัญญาที่อัตมาบอกเนี่ยมันจะเจริญขึ้นขนาดไหนอนี่เดี๋ยวเราพอเลิอกอย่างนี้ไปนะเสร็จไปถึงบ้านนะยังไม่ถึงยังมัยังไม่ลงจากประตูบ้านลงจากรถเข้าไปบ้านเลย ก็เยอะแยะมากมายแล้วคลื่นนะแต่แต่มันก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็ต้องสู้กันไปแต่ก็อยากเห็ว่าอยู่บ้านน่ะก็ควรหาโอกาสทาฉะนั้นมันทำากิงๆกนะันนั่นอยู่บ้านหาโอกาสทาถ้าว่า มันไม่มีประเด็นก็พยายามชักชวนพ่อแม่ลูกเนี่ยอย่างเนี้ยเย่มากเลยเนี่ยสี่คนพ่อแม่ลูกไม่ต้องไปห่วงไอ้พ่อแม่มานั่งอยู่นี่ลูกชายไม่ไม่มาไปอยู่ที่ไหนเนาะ <c ười> เรามานั่งสมาธิมันจะไปสัมปสมาธิอยู่กับใครเนาะไม่ต้องไปห่วงไงตัดปริโพอดลูกสาวก็มานั่งอยู่นี่เอแไปอยู่บ้านปั๊บก็เงี้ยแล้วพอเราเขาเรียกว่า มันมันมันเป็นกันแล้วเนี่ยไวไปอยู่บ้านรู้เลยอ๋อุ้กคาทำสมาธิกันอยู่เว้ยแล้วมันก็มีความสุขไปอีกแบบเวลาทำงานก็ทางานไปเนี่ยอย่างเงี้ยแม่กับลูกนี่ลูกกี่คนสามคนเอ๊ะสองคนเปนะ็นไงสองคน กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้พากันตามหลังกาวัดกาววะได้ไม่ง่ายๆนะอธิษฐานกันมานานนะทํากันมานานนะเนี่ยอย่างนี้ยิ่งอย่างนี้นะโอ้โหเนมีมีลูกกี่คนแค่เนี้ยโอ้โหพามาได้หมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะเยทํากันมานานมากเลยนะเออนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ย ดูแล้วดีไหมฮะอยากให้เป็นแบบนี้มังยากไงไหมทางยากถ้าทางยากเออยากเยเนี่ยทนวนสองคนเนี่ยุวันนี้รัชนีนีอย่างเงี้ยสบายต้องไปต้องกังวลเนียานั่งที่ห้างมงก็ได้ นี่ว่าพูะุเจ้าเนี่ยเวลาท่านสอนนะท่านคำสอนของท่านเนี่ยถ้าได้ความจากท่านโดยตรงคนความมันจะเข้าใจเข้าไปถึงความรู้สึกใ hmm. ครมีปัญหาอะไรจะถามถ่ายกันมั้งไห ม, มปัญหาจริงๆรงิมีไหม พปวันสัญญาอาะยังไม่ดีขึ้นเลยเวลาเวลาจะทำแบบก็ไม่ว่าจะมันยังเข้ามาโกลนฟวนอยู่แต่ก็มันก็ยังมีอยู่แล้วก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆสัญญาจต่างๆ ดับสัญญาได้แล้วมันหมดทุกอย่างแล้วจะดับสัญญาได้นี่มันหมดแล้วคุณมีข้อสงสัยตรงนี้ไหมคะอาจารย์ว่าทําไมสัญญาชอบดับไปอะมันมันไม่ใช่มันชอบมันมันรับรู้อะไรแล้วมันไม่จําอ่ะมันมันหายเลอ๋ออ่าพยายามดูไว้มันดับ พอมันดับก็มีปัญหาอีกสงสัยคยพูดอะไรไปจังใหญ่หมายถึงชีวิตประจําวันใช่ไหมมันแบบว่าเคยพูดอะไรไปอะไรเนี่ครับมันก็เป็นเหมือนกันทุกคนแหละไม่ได้มาจังเอาไว้มันเป็นเหมือนกันทุกคนเลยสงสัยว่าไม่มีสติหรือเปล่ารือว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคนยิ่งพออายุมากมันก็ยิ่งหนัก เป็นเหมือนกันทุกคนยิ่งพอแก่ๆนะไอของใหม่ๆไม่จำแล้วคนแก่ๆนะไม่จำแล้วคนแก่ก็บอกว่ากินของขลับเล่าความหลังชมเด็กสาวเล่าความหลังกินของขลันี่เป็นลักษณะของคนแก่เพราะว่าไอของใหม่ๆไม่จํำแล้ว สมองสร้างเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเยอะมากในสมองเราช่วยในเรื่องการที่จะกระตุ้นเรื่องของความจำแต่ว่าผมมันแก่มากๆเนี่ยเว้นไว้แต่อาศัยชานสมาบัติชานสมาบัติก็เหมือนกันนะพอพอเข้า สมาธิลึกๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็เกิดการอาการไม่จำเหมือนกันเพราะมันไม่เอาแต่อาการที่มันไม่จำไม่ได้นะ่ะให้รู้ว่านั่นเป็นการปรากฏของอนิจจสัญญา เราก็บอกแล้วทำไมให้ท่องไว้ทำไมไม่ท่องที่สูงกลับต่ำที่ดำกลับขาวที่ยาวกลับสั้นที่มั่นกลับคลอนที่โย่นกลับตึงที่ซึ้งกลับเซอะไอ้ที่ซึ้งกลับเซ อ, อะอซ เ, ซอเนี่ยคือที่มันเคยจำได้จำได้มันเริ่มจำไม่ค่อยได้นั่นน่ะนั่นคือความอานิจจงฮะ มันเป็นอนิจจังเป็นความจริงพระพุทธเจ้าสอนหนักวันนั้นด an ah ah ีสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิดังพิกเวอตาอภะวิสะนักหิดังสัญญาอาทายะสังวัตตุยะลเิทะจจะสัญญายะ เอเวังเบญญาโหตูเอเวังเบชญะมาโหสิติอย่าสอนตรงเลยว่าสัญญาไม่ใช่ตัวต น, น ม, มันไม่เที่ยงอะมันไม่เที่ยงกับมันไม่เป็นนานาตตาเพราะมันไม่เที่ยงอะมันจึงเป็นอานาตตาทุกคนอย่าว่าแต่สัญญาเลยเพราะขันห้ามันเสื่อม รูปเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแรงอ่ะฮะแข้งขาทำไมเดินเหินมันไม่ค่อยสะดวกอ่ะฮะอย่าไปสงสัยแต่สัญญาแม้แตตเวทนาสังขารวิญญาณรูปก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดแต่มาเดี๋ยวนี้ข้อข้อนี้เรียบร้อยนี้เรียบร้อยแล้ว อย่างอะไรก็ที่สูงก็กลับต่ำแต่ก็ไม่ต้องไปงสงสัยนะว่าทำไมมันมารบกวนมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราอยากลืมแล้วมันจะลืมมันเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมันสติกับสมาธทิที่ทรงตัวอยู่ที่จิตของเราต่างหาก ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ขั้นก็อย่าไปใส่ใจมันเป็นเบื้องต้นก่อนใส่ใจกับลมหายใจมากๆอย่าเพิ่งไปใส่ใจในสัญญาแค่รู้ว่ามันมากวนแค่รู้ว่ามันมากวนแต่เราใส่ใจกับลมหายใจให้มากให้มากไว้เมื่อสติและสมาธิมันแข็งแรงขึ้นมาทีนี้มันก็จะไปรู้เห็นสัญญาที่มันเกิดจริงๆสัญญามันมามันดีอย่างเมื่อตะกี้เสียงของใครได้ พอเสียงนั้นเกิดขึ้นปั๊บเราได้ยินมันกระทบกับหูเราใช่ไหมพอกระทบในจิตมันรู้อยู่กับลมหายใจอ่ะสติมันยังเราลึกอยู่กับลมหายใจพอมันไอมันหลุดปุ๊บมันไปเลยพอไปปั๊บมันบอกว่าอะไรหาลายเสียงลายใช่ไหมพอเสียงลายปับ๊บเราก็จะช่วยด้วยการบอกพวกเราว่าอย่าไปปรุง อายุกิดแค่รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็เลี้ยงปิดกลับมาทุกคนก็ทําตามได้แต่ถ้าเราไม่ช่วยไว้มันจะมีบางคนจะไปเปิดไว้ทําไมแค่ปิดเสียงทําไมปิดไม่ได้อันนั้นคืออะไรละอากูศซนมาแล้วเห็นไหมอากูศลมาแล้วเพราะฉะนั้นเสียงแม้เป็นบนทินของสมาธิก็จริงแต่บางครั้งเสียงเป็น บทเรียนของสติเนีย่ยผมเกิดปับ๊บนี่เรียกว่าสภาวะหยาบใช่ไหมชัดมากเลยกําลังเงียบๆอยู่นันเลยมาครั้งแรกไม่พอมีครั้งที่สองอีกฝ ว, วางนี้เสร็จมีฝวางโน้นตึก ต, กตกรู้รงไหนของใครกระเป๋าใครไม่รู้ <c oughs> ซึ่งพอพอมันดังปั๊บมากระทบกับหูเราใช่ไหม จิตเราก็จะออกจากลมหายใจโดยอันตรายว่าจิตมันเป็นธรรมชาติรู้จิตนี่มันเป็นธาตรู้เพียงแต่ว่ามันมีคุณสมบัติเป็นอวิชชามันก็เลยรู้มั่วๆเรากำลังจัดระเบียบมันให้มันรู้แจ้งเห็นจริงโดยเอาธาตุเดิมมันนั่นแหละแต่ให้มันรู้แย้งเห็นจริงแล้วก็มันไม่ได้ยากเลย พอมันดังได้จิตรู้ปับ๊บมันหลุดออกจากลมหายใจปับ๊บบอกแค่รู้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่รู้นั้นเสียไม่ต้องไปปรุงแต่งพอเราไปปรุงแต่งมันก็เป็นอกุศลทันทีอะใช่ไหมมีโอ้ยเสียงนั้นโอ้ยน่าท้องสารมาเป็นตุกเป็นตุกเถื่อมีไหมมันไม่ปรุงขนาดนั้นน่ะ <laughs> มันไม่สามารถปรุงให้เข้าสู่กุศลได้ฮะพอปรุงปับ๊บมันก็เป็นอกุศลทันทีพอเรารู้ปับ๊บเราปล่อยปับ๊บ รอยไม่ทันดึดงจิตกลับมาสู่ลมหายใจมันก็เท่ากับว่าสภาวะหยาบคือเสียงนั้นที่เกิดนั้นเป็นไงดับไปแต่ถ้ามันมีการปรุงแม้เสียงนั้นดับไปแล้วแต่มันยังอยู่ในรูปของสัญญาเพื่อเอาที่มาปรุงต่อปรุงต่อปรุงต่อ ร, อ ร, อร เ, อเสียงนั้นลายมันต้งทำไมไม่ปิดนะบางคนก็บอกว่าวิธีปิดมันไม่ยากเลยทำไมถึงไม่ปิดเอาว่าไปเรื่อย มันคือการปรุงแต่พอเราวางปั๊บหยุดวางปั๊บหยุดจิตเราจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้เราจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้จะต้องมีโอกาสได้รู้จริงอย่างนี้ปล่อยวางอย่างนี้อืมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเวทนาเวทนาที่เกิด่ะ อาใครที่ไม่มีเวทนาเลยไม่มีใครที่มีเวทนาเกิดใครที่ไม่ใครที่มีเวทนาแล้วหมายถึงทุกเวทนานะอืมใครที่มีเวทนาแล้วไม่ได้ขยับเลยเพราะจิตรู้ใช่ไหมว่ามันปวดว่ามันเจ็บว่ามันทุกอยาก่างแต่มัน มันไม่จําเป็นต้องขยับใครที่เกิดแล้วขยับนิดนิดขยับนิดนิดขยับแล้วรู้ะนะมีเออขยับแล้วรู้เนี่ยคนเนี่ยมันเรื่องดีมาถ้าขยับแล้วรู้ในการขยับรู้ในการขยับแต่ถ้าไม่ขยับจิตสามารถรู้กับลมหายใจได้ในขณะที่เวทนานั้นยังอยู่เนี่ย สบายเลยนั่งสบายเลยแต่ดูว่ามันเสียดมันเบียดเสียดแทงกายมากก็ขยับให้มันซะหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามันนั่งอยู่ได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องขยับแม้ว่ามันรู้ว่ามันเป็นเวทนาอยู่ก็ปล่อยไปเอาทีนี้สุขเวทนาสุขเวทนา ค, คือการที่มันสบาย เพลินอยู่กับการรู้ลมหายใจมีไหมมีไห ม, มรู้สึกว่าในขณะที่รู้ลมหายใจนั้นข้างในนั้นมันโล่งแล้วมันเบาแล้วมันมีความสบายออกมาตามกระจายไปทั่วร่างกายหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สงเคราะห์เข้าสู่ความสบายได้มีไห ม, ม, มฮะ ฮะฮเป็นแปบ๊ <Huh? S 2> เปแปบเดียวไม่ทันได้ติด <c oughs> ให้เข้าใจเลยนะอาการนั้นคืออาการของปิติเรียกสับไ้เต็มปากเต็มคำเลยถ้ามีสติและรู้ได้ว่ามันมีการหยั่งเข้าสู่ลมหายใจโดยปกติตามความเป็นจริงแล้วมันมีอาการสบาย แล้วก็หายไปนั่นคือปิติและอาการสบายนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ตัวแก่ตัวแก่ตัวขึ้นไปมันเป็นอิ่มเต็มตัวของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสุขเราจะต้องเรารู้สึกต่อทุกขเวทนาอย่างไรนะสุขเวทนาเราต้องรู้สึกอย่างนั้นเราต้องไม่อคติเข้าใจไหมนี้คือความเป็นกลางของจิต เวลาทุกขเวทนาเนี่ยเราพยายามปล่อยวางมันใช่ไหมพยายามปล่อยวางมันปล<ๆ>่อยวางมันปล่อยวางมันปล่อยวางมันปล่อยวางมันรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางคือมันไม่เอาอ่ะแต่เมื่อสุขเวทนาเกิดในสมาธิได้ต่อไปเรานั่งไปถ้าเรานั่งต่อเนื่องไปเรื่อยเราจะเจอสุขเวทสุขที่เกิดในสมาธิมันจะยิ่งลุ่มลึกแล้วมันชวในให้หน้าหลงไหลหน้าติดก็ติดกันมาเยอะต่อเยอะแล้ว เราจะต้องมีความเข้าใจทําความรู้ให้ได้ในเวทนาทั้งสุขเวทนาและทุกเวทนาว่ามันเป็นสภาวะที่มีการเกิดและการดับอาการทรงตัวของมันอาจนานก็ให้มันอยู่ไปเรานั่งดูความทุกข์ดูทุกขเวทนาที่มันเกิดตั้งนานใช่ไหม เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเราไม่เอามันเราไม่ยอมขยับมันเราไม่เอามันท่านถ้าสุขเวทนาเกิดเราก็ต้องไม่เอามันกันเราสุขที่มันต้องเกิดขึ้นค่ะนะก็แล้วแต่แล้วแต่กาลังของสติกับธรรมทิแต่มันก็มาเรื่อยแหละแต่อาการที่จิตไม่ไปเอามันบ่อยๆจิตไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกิดจิตมันก็ไม่ใส่ใจ มันเกิดแต่จิตไม่ใส่ใจมันก็ผ่านไปอืมมันเกิดแต่จิตไม่ใส่ใจมันก็ผ่านไปจิตจะไม่ใส่ใจได้เพราะจิตมีประสบการณ์ในการรู้เห็นเล่บปล่อยวางผ่านไปผ่านไปแล้วมันก็เข้าไปสู่ความสงบแต่ไม่ใช่ว่าเออพอพูดอย่างนี้แล้วทําไมมันไม่เกิดสุกหลวงพ่อว่าถุกทําไมมันไม่เกิดวะอ้าวไม่เกิดก็ผิดอีก คือเส้นทางการปฏิบัติเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็เกิดทั้งหมดเราเรียกรวมๆ ว, ว่าสภาวะนะมันมีเหมือนกันหมดเลยคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็มีสภาวะตัวไหนม้างที่ที่เราเคยนั่งสมาธิแต่มันยังอยู่จนเดี๋ยวเนี้ <c oughs> อ่าไม่ได้มันหายไปไหนอ่ะมันดับเออเพราะั้นมันสภาวะทุกตัวมีมีความเสมอกัน คือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหน้าที่ของเราคื อ, อยังระลึกลงไปสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆจิตมันก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นกําหมวดเข้าไปสงบขึ้นสงบขึ้นลมหายใจจะเป็นสิ่งถูกรู้ของจิตไอ้ที่มันสหบมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรนะที่มันสงบมันสหบมาก สกปรกที่สุดของมันก็คือว่ามันเห็นสภาวะพวกนี้แหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับอะไรที่มันเห็นว่าดับจริงๆในสมาธิมันก็ไม่เอาเห็นที่มันดับจริงๆแต่มันก็ไม่เอาเมื่อมันไม่เอาเนี่ยมันก็สกปรกหนึ่งห้องเงี้ยเอาใครเอาอาสนะมาตั้งไว้เยอะแยะวะเด็ก็เลยหยิบทิงบ้งไปทีละอันหยิบทิงบ้งไปทีละอัน หยิบติ้งไปทีนันหยิบติ้งมปทีนันทีมันมันก็โลง่งใช่ไหมไความสงบก็เหมือนกันสภาวะที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดด้วยเกิดเกิดเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันก็เกิดแต่สภาวะทุกตัวมันมีการเกิดและการดับการเกิดและการดับเหมือนกันเป๊ะจิตที่เข้าไปปรุงในสภาวะแต่ละตัวต่างหากที่ทําให้สภาวะพวกนั้นเป็นปณินกับจิตแต่จิตไม่เข้าไปปรุงแค่รู้ซื่อเข้าไปรู้เราหายใจแล้วพอเกิดสภาวะอะไรก็ตาม ก็แค่ไปรู้ว่ามันเกิดมันตั้งอยู่ก็แค่รู้ว่ามันตั้งอยู่พอมันดับไปเอ้ยมันดับไปแล้วก็ไปอยู่กับรู้กับลมหาใจอย่างเดิมมันจะเกิดการปล่อยวางของจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันหมดไปมันก็เรียกว่าอนุ ป, ปาทิยานุที่พูดมันเช้ามันก็จะปล่อยวางคลายความยึดติดออกไปเรื่อยๆ ถ้าเราสามารถเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับได้อย่างนี้บ่อยๆชีวิตเราจริงๆเราจะเห็นว่าอะไรที่เป็นสาระในชีวิตของเรามีไม่มากนะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าทําได้แค่นี้แล้วมันจะไม่มีผลอะไรนะเป็นผลในชีวิตจริงของเราในชีวิตจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรที่มันไม่ใช่สาระกับชีวิตอ่ะ <c oughs> มันเยอะมากจะทําให้เราปล่อยวางสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระในชีวิตของเรานั้นได้ด้วย อ๋อมีคําถามอีกไหมฮะไม่มีเหรอไม่มีวันนี้จะชวนพวกเราต้องการแผ่บิตาแผ่บิตาให้พระเจ้าอยู่หัวพระาชการที่เกนะ้านะแต่วายเป็นพระราชกุศลในราชการที่สิบแล้วก็ให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่นะ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของพวกเราให้กับผู้มีพระคุณของพวกเราทุกคนทุกคนทุกคนให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วกันทั้งหมดโดยอ้างถึงบุญกุศลทั้งหมด <c oughs> แต่ว่าเราก็เข้าสมาธิกันก่อนทรงติด เข้าไปสู่ลมหายใจอย่างเดิม น้อมระลึกถึงบุญกุศลให้ใจมันสบายข้างในดนะ้วยน้อมระลึกถึงบุญที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาบุญที่เป็นทานคือบุญที่เราเคยให้ทานในการเสียสละทรัพย์สินของเรา น้อยบ้างมากบ้างทุกภพกทุกชาติตั้งแต่อดีตจนถึงชาติปัจจุบันทานที่เราได้เคยให้กับสัตว์ดิรกชานก็ตามได้เคยให้กับคนผู้ยากร้ายขอทานก็ตามทานที่เราให้กับสิ่งกระสานทึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ก็ตาม ทานที่เราได้ร่วมเป็นกองบุญกองกุศลตามสถานที่ต่างๆก็ตาม <c oughs> ทานที่เราได้ถวายแก่พระภิกษุสามเณรก็ต่างทุกภพทุกชาติที่เราได้เคยทําทานอย่างนั้นขอทานนั้นนั้นสำเร็จเป็นทานนามั คือบุญที่เกิดขึ้นจากกองของทานตั้งขึ้นที่ใจของเราน้อมระ ล, ลึกถึงบุญที่เกิดจากศีลในฐานะที่เราเคยกล่าวคำสมาทานศีลทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถทุกๆข้อ นั่นก็ตางบุญที่อยู่ในเนื้อศีลตัวศีลก็คือการที่เรามีเจตนาจากฆ่าและเรายับยั้งเจตนานั้นได้ด้วยศีลมีเจตนาที่จะช่อโกงขโมยและเราหยุดเจตนานั้นได้ด้วยศีลมีเจตนาที่จะประพรฤติผิดในกลาง แต่เราหยุดเจตนานั้นนั้นได้แต่ละครั้งแต่ละคราทุกภพทุกชาติด้วยศีลมีเจตนาที่จะโกหกส่อเสียดยุยงแต่เราหยุดเจตนานั้นได้ด้วยศีลมีเจตนาที่จะดื่มจะเสพสิ่งมึนเมาให้โทษทาร้ายทำลายสติสัพพัญญะแต่เราหยุดเจตนานั้นได้ทุกแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยอำนาจของศีนทั้งหมดทั้งิีนนี้ สำเร็จตั้งขึ้นเป็นศีลใหม่บุญที่เกิดจากการภาวนาการที่เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาทุกภพทุกชาติที่เจอกับพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสได้ปฏิบัติจิตตภาวนา ไม่ว่าปฏิบัติแบบไหนในการที่จะฝึกฝนให้จิตนี้มันสะอาดสว่างสุขทุกพบทุกชาติสำเร็จเป็นภาวนาใหม่และบุญอื่นที่เราได้กระทำการขวนขวายช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆตอบแทนมีใจเอื้อเพื่อต่อสาธารณะเป็นจิตอาสาช่วยวัดช่วยว่าช่วยสถานที่อันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนหมู่มากใช้เรี่ยวแรงใช้วิชาความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆกระทำการนั้นๆทุกภพทุกชาติที่เคยกระทำมาแม้กระทั่งในชาติปัจจุบัน อันนี้สำเร็จเป็นวิยาวัจจะใหม่การที่เรามีความอ่อนน้อมต่อมตนนคารบกราบไหวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณนวุธทรงวัยาวุธผู้ที่มีคุณงามความดี ผู้ที่เหนือกว่าเราตลอดจนถึงพระพิสุสามเดนมีใจในการอ่อนน้อมถ่อมตนคารบกับว้นั้นนั่นจะไมเป็นอปัจัยนามัยการที่เราเคยแผ่บุญกุศลที่เราทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกภทุกชาติที่เราเคยแผ่ไปนั้นสําเร็จเป็นปฏิทานใ ห, หมการที่เราเคยชื่นชมยินดีต่อคุณความดีของผู้อื่นหรือชื่นชมยินดีต่อบุญกุศลที่ผู้อื่นได้กระทําจะเพื่อเราก็ตามเพื่อผู้อื่นก็ตามที่เรารู้เราเห็นเราชื่นชมยินดี ในความดีของคนเหล่านั้นสาเร็จเป็นอนุบูธนาใหม่การที่เราได้เคยฟังธรรมทุกภพทุกชาติที่มีการประกาศธรรมบรรยายธรรมปัตกถาธรรมหรือแม้แต่สแสดงธรรมเรามีโอกาสได้ฟังธรรมนั้นๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เรามีความขวนขวายในการที่จะควังทำนั่นนั้นสำเร็จเป็นธรรมสวรนค์ใมการที่เราได้อธิบายธรรมด้วยตัวของเราเองอธิบายความถูกความต้องความดีความงามพูดเพื่อให้คนเห็นบุญกลัวบาปทุกภพทุกชาติ ที่เราสามารถสื่อสารแสดงออกไม่ว่าทางวาจา ก, ก็ดีทางกิริยาท่าทางก็ดีเพื่อมุ่งประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เข้าใจรู้และเข้าถึงความหมายของคำว่าธรรมสำเร็จเป็นสัตเป็นเทศนามใหม่ <c oughs> เราเคยหลงผิดเห็นผิด ในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องบุญคุณพ่อแม่เรื่องโลกนี้โลกหน้าเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์แล้วเราได้ปรับความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องตรงทุกพพทุกชาติแม้กระทั่งในชาติปัจจุบันความคิดผิดความเห็นผิดของเรา ได้ปรับเปลี่ยนเข้าไปสู่ความคิดถูกเห็นถูกจนถึงในหลายหลายครั้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทิฏฐุจุกรรมรวมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สิบประการบุญเหล่านี้ทั้งหมดเป็นมหากุศลที่มีพลังอันแรงกล้าตั้งอยู่ที่ใจของเราทําให้ใจของเรามันสว่างมีพลังอํานาจของบุญตั้งอยู่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้สัรพชีวิตเข้าสู่ความสุขได้เราขอตั้งความปรารถนาในใจของเราเพื่อที่จะแผ่บุญนี้ออกไปจากใจของเราเข้าสู่สัมภสัตว์น้อยใหญ่ตั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์สองเท้าสัตว์สีเท้าสัตว์หลายเท้า สัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์ที่บินอยู่ในอากาศ <c oughs> ตลอดจนถึงมนุษย์มนุษย์ที่ไม่ดีมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ห้อยเปลี่ยเสียขามนุษย์ที่ทุพพลภาพมนุษย์ที่เจ็บนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตลอดผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ แม้กระทั่งสาธุชนกัลยาณชนทั่วไปผู้ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ทุกๆชีวิตดำเดินเข้าไปสู่ความใกล้ชิดกับพระรัตนไตรนับถือพระพุทธศาสนา น้อมนำปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องดำเดินชีวิตในภพใดชาติใด ช, ชาติหนึ่งแล้วเข้าสู่สวรรค์เลพระนิพพานในอนาคตการของทุกๆชีวิตนั้นเดินสัปเเสตวะธรรม สัทธาโหตุอเวราสุขชีวิโ ด, อ ข, โดขอปวงสัตว์ทั้ ง, งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัรและกันเป็นผู้ดำรงชีพยอยู่ด้วยความสุขทุกเมื่อเถิด กัตังปุญญั ง, ง, ญญงพะลังไมหั่งสัสสเพเพภาคีภา ว, วันตุเ ต, ตเขอสัตว์ทั้งสินนสงส้นนั้นเป็นผู้มีส่ว น, น, นแห่งผลบุญ ที่ข้าพระเจ้าทำแล้วนั่นเธอกอนุบูนา า, ายะถาวาริวะฮาปูรปาปริปุเรนติสากรังเอ ว, วะเบวอิโตทินนังเปตานังอุปกัปติ อิจิตังปัติตังตุมหังคิปะเบวสัมมิชาตุสเพปูเรนตุสั่งกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติระโสยธะอัปปิวาธนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโดจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโดสุขังพระลังเตอัตตัลธาสุขีตาวิรุฬหาพุทธาสาสเด อโรคาสุกิตาโหทัสหะสเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัปปธรมมานุภาเวนะสัปปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต